ทรงปรารพภิกษุณีทุละนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลลนันธาคัดค้านการแจกจีวรที่ชอบธรรมในสิกขาบทที่เจ็ดนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสสมุดฐานละ